สามสิบสี่บนรถไฟพอทากะนั่นรถไฟไปเบอร์ลินใช่ไหมคะอะไ t ที่ทาก t ไปเบอร์ลินรถไฟออกเมื่อไหร่คะ Når i i n ถ r k ไปถึงเบอรรถไฟไปถึงเบอร์ลินเมื่อไหร่คะ n ถ r k ฟ้าจะไปถึงเบอร์ลินเมอโทษค่ะดิฉันขอผ่านหน่อยได้ไหมคะรถไฟฟ้าจะไปถนคนิดว่่าปนเ่อ่อปงนเ่่ะงเอร์ิน่ ดิฉันคิดว่าคุณนั่งที่นั่งของดิฉันค่ะ j ัน tror อ u nei s i t t e น på p l a ่ s e n m i อตูน่ขอนอวูน่นขบวนไหนค่ะฉันเชื่อว่าคุณนั่งนอนอย่่ขบวนท้ายสุดของรถไฟ s o น e v งของฉันค่ะฉันเช t ่อว่าคุณนั่งียงอยู่ขบวนไหนค่ขบวนหน้าค่ะ o อ้วู r ์แอร์สปิสเ n วองเงินห ե ลท์ฟรัมเม่ไอทัวเก้ฉันขอนอนข้างล่างได้ไหมคะ Kan ย์ g f ฟ s o v ซเว่ e ี่ฉันขอนอนตรงกลางได้ไหมคะยฟซมิต่ฉันขอนอนข้างบนได้ไหมคะคายซอป เราจะถึงชายแดนเมื่อไหร่นอร์อะวิเฟรมเมะบ์เกรนเซไปเบอร์ลินใช้เวลานานเท่าไหร่คะบูร์เล็งเ a ตาร์ทัวร์น์ทิลเบรถไฟจะเข้าช้าไหมคะอะร์ทัวก้ฟอร์ชิคุณมีอะไรอ่านไหมคะฮ n ร์ดูโน่ลีเ ที่นี่มีอาหารและเครื่องดื่มขายไหมคะ go ได้ไหมไปกินอะไรกันบ้างคุณช่วยปลูกดิฉันตอนเจ็ดโมงได้ไหมคะค a ณช่วม c ได